มาขึ้นอภินญญานิเทศในสุตตะมยญาญานสุตมยญาญานนั right ouais. strong, ้นหมายถึงการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วนั่นนะเชื่อว่าสุตมยญาญานการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่าทำเหล่านี้ควรรู้ยิ่งทำเหล่านี้ควรอะไรทำเหล่านี้ควรกําหนดรู้ทำเหล่านี้ควรละทำเหล่านี้ควรเจริญทำเหล่านี้ควรทําให้แจ้ง ฐานะพาคยะทิติภาคยะวิเศษสาพาคยะนิเพทาาคยะอ น, นิจังทุกขังอนาตาัตตนิทุคณทุขสมุทัยนิทุกขนโรนีิทุขเนโรนทค า, ท า, ทามินีปฏิปทาสิบหัวข้อควรดเลิดเอาไว้นะควรทรงจำไม่ต้องท่องก็ไม่เป็นไรก็ดูบ่อยๆเอาดูครั้งละห้าสิบเที่ยวก็สักสิบครั้งะนะ ก็ห้ารอยเที่ยวพอดีนันก็ไม่ต้องท่องหรอกเอาซ้ำๆเขาว่าในหัวข้อเหล่านี้ก็ควรทรงจำมาไว้นะเพราะว่าเป็นโครงสร้างใหญ่ของสุตตมยญาณภาษาทางธรรมะเครียกมาติกามาติกานี้แปลว่าหัวข้อหัวข้อที่เราควรระลึกเอาไว้นี่มาขึ้นหัวข้อที่หนึ่งคืออภิญญายธรรมหรืออภิญญ ย, ยนิเทศ ปัญญาที่ทรงจํำทำที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งทำหนึ่งควรรู้ยิ่งคือสัพเพสัตาอาหารทิฏฐิกาสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ด้วยด้วยอาหารทำสองควรรู้ยิ่งคือธาตุสองทำสามที่ควรรู้ยิ่งคือธาตุสามทำสี่ควรรู้ยิ่งคืออริยศาสตร์สี่ทำห้าควรรู้ยิ่งคือ วิมุตตายตนะห้าทำหกที่ควรรู้ยิ่งคืออนุตรยะหกทำเจ็ดที่ควรรู้ยิ่งคือนิทสาวัตถุเจ็ดทำแปดที่ควรรู้ยิ่งคืออภิพาญตนะแปดทำเก้าที่ควรรู้ยิ่งคืออนุปภาพวิหารสมาบัติก้าเนี่ยนะนะอนุปภาพวิหารเก้าทำสิบที่ควรรู้ยิ่งคือนิชระวัตถุสิบตอนนี้เรามาถึงหมด6กเนี่ย มวดหกคืออนุตริยะหกก็เปิดดูในอัตถกถาหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบสองในคํานี้ว่าชาอนุตริยานี้แต่ว่าอนุตริยะหกมีความว่าคุณอันยิ่งกว่าธรรมชาติเหล่านั้นไม่มีฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอนุตระอย่างเคยได้ยินนะอนุตรธรรมอะไรเงี้นะอนุตระธรรมก็คือไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า อันนั้นบางทีก็หมายถึงโลกุตระธรรมนะแต่ในที่นี้หมายอนุตริยะนั้นถ้าตามหลักไวยากรณ์บอกว่าอนุตอนุตระคือไม่มีอย่างอื่นยิ่งกว่านั่นแหละชื่อว่าอนุตริยะเพราะว่าก็แปลเป็นไท ย, ไทยว่าอนุตระกับอนุตริยะไม่ต่างกันโดยพยัญชนะเนี่ยนะขออภัยไม่ต่างกันโดยอัธัธอธิบายว่าเป็นธรรมชาติอันประเสรศิฐประเสริฐเยี่ยม การพระอัตฐกถาท่านก็เลยยกข้อความจากอังคุตรนิกายฉักกะนิบาศนะนฉักระนิบาศนี้เป็นเล่มที่เท่าไหร่เล่มที่สามสิบสามสิบหกนะเล่มสามสิหกนะอังคุตรนิกายสามสิบหกฉักรปัญจกะกับฉักระนิบาศอยู่เล่มสามสิบหกสัตตกะอัตฐกะนวกะเล่มสามสิบเจ็ดทัศกะเอกาทัศกะเล่มสามสิบแปด นะนรั้นก็ถ้าถ้าใครจะไปดูเล่มเอ็มเลยนะก็ดูในเล่มสาสบเนี่ยนะในฉักกะนิบาศชื่อว่าอนุตริยสูตรเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูความพิสูจนทั้งหลายอนุตริยะ6ประการนี้แหลนะอนุตอนุตริยะก็คืออนุตระนะอนุตระแปล ว, ว่ายิ่งนะไม่มีอะไรเกินกว่า น, นี้แล้ว6ประการนี้6ประการเป็นไงหนะึ่งทัศนานุตริยะการเห็นอันประเสริฐ ประเสรก็คือมันยิ่งอยู่แล้วใช่ไหมนั่นเรียกว่าการเห็นอันยิ่งก็ได้การเห็นที่ไม่มีการเห็นอื่นยิ่งกว่าก็ได้สวนานุตริยะการฟังอันประเสริฐลาภานุตริยะการได้อันประเสริฐสิกขานุตริยะการศึกษาอันประเสริฐปาริจริยานุตริยะการบำรุงอันประเสริฐสุดท้ายอนุสตานุตริยะอนุสติอันประเสริฐอนุสติการตามระลึกนะทัศนะ ทัศนาเนี่ยก็มาจากทัศนะแปลว่าเห็นสวนาก็สวนะแปลว่าฟังลาภาลาภะแปลว่าได้เซขาแปลว่าศึกษาปาริจริยาก็คือบำรุงอนุสตาก็คือตามระลึกมาจากอนุสติเนี่ยนะอนุสตาก็คืออนุสติตามระลึกนั่นเองอธิบายตามลําดับว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ทัศนานุตรยะเป็นไน ดูความพิศวงทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อจะดูช้างแก้วบ้างดูม้าแก้วบ้างแก้วมณีบ้างของใหญ่ของเล็กหรือสมณะพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดเจอนะไปดูช้างแก้วเนี่ยนะโบราณ น, นี่โหให้ความสําคัญกับเรื่องช้างมากกันนะเพราะฉะนั้นถ้าได้ช้างเผือกมาสักทีหนึ่งโอ้เขาแข่แหนกันไปดูเต้นไปหมดหรือถ้าได้ม้าชั้นดีเนี่ยนะก็โฆษณาแห่กันไปดู หรือไปดูแก้วมณีสมัยนี้ไปดูอะไรก็ตลาดพวกพวกอะไรนะั้เอ็กซ์โปทั้งหลายอนะันคือพวกเขามีการจัดสรรสินค้าจัดขายรถขายอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเขาก็จะมีประชาชนแห่กันไปดูใช่ไหมงานไม้ดอกง่ายประดับเชียงใหม่เนี่นะมากกว่าฟังคำเป็นร้อยเท่าอ่ะทันเท่าเนี่ยนะกรุงเทพมีงานอะไรบ้างนะนนะก็พวกเนี้เขาจะมีการไปดูกันแห่แหนกันไปดูเต้ไปหมดเลย ดูมวยบ้างครับเมื่อไม่นานนี้ก็ไปดูฟุตบอลโลกอะ่ะโอหแห่กันไปดูทั่วโลกเลยนะแห่กันไปดูก่อนที่สูทั้งหลายทัศนะมีอยู่คือการเห็นเนี่ยเห็นแบบมีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีดูก่อนที่สูทั้งหลายก็แต่ว่าทัศน์ดีนั่นแหลเป็นทัศน์อันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะ ท่ารรมืวานี้เข้าใจคําว่าปุตุชนนไม่แปลกใจเลยนะเป็นของปุตุชนจริงๆเพราะปุตุชนเนี่ยหมายถึงผู้ที่ยังกิเลสหนาให้เกิดผู้ที่มีคติหนาทำอภิสังขารมากอภิสังขารก็คือทํากรรมเนี่ยมากไปสู่คติมากก็ถูกบาปถูกอกุศลกลุ่มรุมเนี่ยนะเรียกว่าเล่าร้อนด้วยความเล่าร้อนเป็นอันมากเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเป็นอันมากแงนดูหน้ า, าศาสะดาไปเรื่อยเป็นต้นนะ นี่แหละผู้ปุถุชนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นของปุถุชนพระอริยะท่านไม่ได้ส่งเสริมการดูแบบนั้นการเห็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ได้ไหมอ่านะประโยชน์โลกหน้าปรากฏถามว่าจะใกล้นิพพานขึ้นไหมเราดูงั้นมากๆแล้วจะเบื่อหน่ายในวัตถา ม, มั้ยไม่เป็นเรียกว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายหมายความว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสสนาอะไรสักข้อเลย ไม่ได้เป็นไปเพื่ อ, อนิจานุปัสนาทุคขานุปัสนาหนาตานุปัสนาอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นถ้านุปัสนาสามไม่มีความเบื่อนหน่ายจัยกมีได้อย่างไร <S <S การดูเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดคือไม่ได้เป็นอุปนิสัยแก่อริยมรรคไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับคืออริยผลหรื อ, อนิพพานนั่นะไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบสงบก็คือธนิพพานไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งคืออริยมรรคไม่ได้เป็นไปเพื่อตรัสรู้คือมรรค ไม่เป็นไปเพื่อนิพพา น, นการเห็นดังกล่าวทั้งหมดของปุถุชนที่กล่าวไปแล้วนั้นะสรุปย่อๆว่าไม่เป็นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสนาไม่ได้เป็นไปเพื่อมรักไม่ได้เป็นไปเพื่อผลไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานแต่ก็อันที่จริงเขาก็ไม่ได้ต้องการวิปัสนามรักผลสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเาก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากได้นั่นแหละ ดูวาทพิสูจทั้งหลายส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมไปเพื่อจะเห็นพระตถาคตหรือสาวกของตถาคตไปดูพระพุทธเจ้าตอนนี้ดูใดจักที่ไหนตอนแรกมีอยู่สองกลุ่มด้วยกันหนึ่งถ้าตามพุทธพจน์ตรงๆพรอองค์ไปก็ให้ไปเพื่อดูสังเวชนียสถาน สังเวชนียสถานสี่ตำบลเนี่ยนะเหมาะกุลบดผู้มีศรัทธาควรจะจาริกปันนี้ในหนึ่งในที่สองก็ท่านแสดงตามอัตถกาถาทั่วๆไปสาธกสัมปชัญญะคือไปดูพระเจดีเป็นต้นไปดูพระเจดีไปดูพระศรีมหาโพลเนี่ยนะพวกนี้แหละก็รกว่าไปตอนนี้นะพอที่จะมีได้ก็คือไปดูสังเวชนียสถานไปดูพระเจดีเนี่ยนะซึ่งของเรานี่ก็เตรียมนวดแข้งนวดเท้าไว้ให้นั่งรถดีนะ คุณกันตาประกราบเต็มที่เลยนะชักชวนมีบริวารเยอะนะมีบริวารมากเลยไปเป็นหกสิบเต็มคันรถหมดนะไปเพื่อจะไปดูพระเจดีไปเพื่อที่ประกราบพระเจดีนะสี่เจดีด้วยกันเลยนะมันก็แสดงว่าไปเพื่อจะไปดูพระตถ า, าคตใช่ไหมก็เมื่อวานเราก็ไปทั้งอย่างน้อยสองเจดีอน ะ, อะบางคนไปสามเลยยมอ้วนไปสามเลยวันนี้ก็เตรียมจะไปอีกเมื่อคืนร้อยพวงมาลัยตั้งหลายชั่วโมงด้วยกันอ่างนั้น ยังเอาทวงมาลามาโชว์นะก็ฝีมือไม่ตกสักเท่าไหร่นะก็บอกว่าไม่ได้ร้อยมาตั้งสามสิบปีแล้วบางนั้นนี่ขนาดมาพบทวนยังยังยังแกวเลยนะเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้สวยกแบาตอนนี้สักเท่าไหร่หรอกก็คือวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะประนีตหรือไม่ประนีตอยู่ที่ศรัทธาประนีตเนี่ยนะถ้าศรัทธาประนีตวัตถุทั้งหลายก็ประนีตเนี่ยนะนั้นก็นั่นก็ ร้อยดอกไม้ไปเพื่อจะไปกราบพระตถ า, าคตใช่หหรือสาวกของพระตถ า, าคตผู้เป็นท่ารหัรเป็นต้นดูความที่สูงทั้งหลายการเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศาสตร์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโส่กาปริเทวะเพื่อก้าวล่วงเพื่ออัสดงดับไปแห่งทุกและโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทาท่านิพพานให้แจ้ง คือการเห็นพระตถ า, าคตและสาวกของพระตถ า, าคตมีความสําคัญพระองค์ชมเท่ากับเจริญสติปัญญานแสดงว่ามีประโยชน์มากนะจึงชมขนาดนี้สติปัญญานก็ยกย่องแบบนี้นะเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกกะ ป, ปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายาธรรมเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งสติปัญญานยังชมขนาดนี้เลยนะการไปเพื่อ ดูพระตถ า, าคตไปเพื่อดูพระเจดีย์เป็นต้นก็แสดงว่ามีประโยชน์มากขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าการเห็นเหล่านั้นเป็นอุปนิสัยเพื่อบริสุทธิ์จากราคะโทสะและโมหะเป็นไปเพื่อเลิกโสกะสักทีหนึง่งเป็นไปเพื่อเลิกปริเทวะคือการคร่ำครวญเป็นไปเพื่อบรรลุญาตธรรมคืออริยมรรต์เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งระนิพาน ดูความพิสูจทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งไปเห็นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าทัศนานุตริยะยิ่งใหญ่มากเลนะการเห็นนี้ถือว่าเป็นการเห็นที่ยิ่งใหญ่เป็นการเห็นที่ประเสริฐยิ่งนักในยุคนี้เนี่ยนะคนทั้งหลายเขามีความรู้สึกว่าการเห็นนี้ประเสริญจริงไหม อ่นนะเห็นตรงกันข้ามหมดเลยนะไม่ได้ถือว่ายิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าทางค ร, รมะของเราเนี่ยถือว่าการเห็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่มากอนะเพราะอะไรเพราะว่าการเห็นเนี่ยนะถ้าเอาตามจังกีสูตรกีตาคิริสูตรใช่ไหมเมื่อบุคคลมีศรัทธาย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหานั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้เงี้ยสดลงฟังเมื่อเงี้ยสดลงฟังก็จำธรรมนั้นได้เมื่อจําแล้วก็พิจารณาเมื่อพิจารณาแล้ว นไนะก็มีฉันทะเมื่อมีฉันทะทําทให้เกิดอุตสาหะเมื่อมีอุตสาหะไตร่ตรองเมื่อไตร่ตรองก็ตั้งความเพียรเมื่อตั้งเมื่อตั้งความเพียร น, ยนี้เรียกว่ามีตนสงต่งไปไม่อะไรในกายและชีวิตก็ทําให้แจ้งซึ่งรธรรมทศกิจะคือนิพพานานะเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งรธรรมทศสิจานั้นด้วยปัญญ า, านะก็ดูในหน้าสามสิบเอ็ดนะถ้าจะทบทวนนะวัน เชื่อมกันหากันนะเนื้อหาในหน้าสามสิบเอ็ดกับทัศนานุตริยะเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะแนวเดียวกันอขอบพระคุณพระคุณเจ้าครับในที่นี้แสดงว่าบุคคลผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวเนี่ยครับเป็นถึงระดับไหนครับหรือว่ามีความเข้าใจแค่ไหนจึงสามารถที่จะเข้าร่วงความโศกความร่ําไรได้ ก็ถ้าเอาให้เต็มที่จริงๆอ่ะนะก็เท่ากับพระอนุนนะนะถ้าจะเอาเต็มเลยนะแต่ถ้าโดยพยันชนะโดยเต็มเพราะว่าโดยทั่วไปท่านยกย่องว่าพระอนุนเนี่ยเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอนุตริยะหกนี่นะโดยโด ย, โด ย, โ, ดยโดยสภาวะนะแต่บุคคลอื่นก็คงตามสมควรแก่ฐานาะนะตามสมควรแก่ฐานะขอให้มีศรัทธาเถอะมาไม่ว่าเรากมากน้อยก็ขอให้มีเถอะ ไปทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มากไปเที่ยวในที่ที่ไม่ควรไปตั้งเยอะไปปีนป่ายภูเขาบ้างไปลงทะเลนั่งเรือบ้างไปเรื่องไม่เป็นเรื่องไปไม่ตั้งเยอะแยะเลยนะก็ถามผู้มีประสบการณ์ท่องเที่ยวมาเกือบรอบโลกแล้วแต่รู้ว่าไปเห็นอะไรมาบ้างไปดูนกเพนกวินอย่างเงี้ยนะโอ้โหนะก็ขนามนั้นนะโอ้โหบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปเนี่ยไปดูนก ฝรั่งมาเมืองไทยมาทำอะไรไปแต่ดูใจดีไม่เท่าไรหรอกไปเห็นเนี่ยถือกล้องอันหนึ่งครุกเขาบ้างก้มบ้างเงยบ้างสองนกอยู่นั่นนะโอ้โมาตั้งไกลเลยนะมาสองนกอยู่แถวเชียงใหม่อะถามโยมที่เชียงใหม่ด้วยมาสองนกจริงๆริงเย